ตอนนีนะ้วิธีชีวิตในวัดก็ค่อยค่อยกลับคืนสู่ความปกติแต่ก็ยังไม่ถึงกับร0 0เซเพราะว่าไฟก็ยังมีอยู่บางจุดแล้วก็ยังประมาทไม่ได้หมดเป็นเรื่องไฟก็ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำ เพราะว่าน้ำก็ใช้ไปกันนหมดแล้วนเราก็ต้องการใช้น้ำต้องค่อยต้องใช้อย่างประหยัดนะจะใช้แบบสบายเหมือนเมื่อก่อนก็ไม่ได้ในช่วงห้าหวันที่ผ่านมานะก็เป็น นะช่วงที่ไม่ธรรมดานะของทางวัดแลของพวกเราและของชาวบ้านด้วยแล้วของอีกหลายๆลยคนนะไฟที่เกิดขึ้นก็อย่างที่พูดไปแล้วนะมันมันรุนแรงที่สุดในรอบสิบหรือส2บสองปีทีเดียว อันนี้ดูจากอะไรนะก็ดูจากการที่ไฟนี่มันลุกเข้าม า, ถ, าถึงในเขตวัดลุกเข้ามาจนกระทั่งในเขตเรียกว่าสังขา ว, วาสเลยทีเดียวนะหน่อยจะเป็นหอชั้นหนย่ยจะเป็นกุดกกุดศนะิมันไม่มีแบบนี้มานานแล้วนะส0บกว่าปีแล้วไม่ต้องพูดถึง พื้นที่นะพื้นที่ที่ถูกไฟไหมก้กว้างก่อนหน้านี้มันก็มีไฟลุกลามเข้ามาในวัดบ้างเนื้อที่ก็ไม่คยกว้างเท่าไหร่แล้วก็ใช้เวลาไม่กี่วันความเสียหายก็ไม่มากส่วนไหญก็ลามมาจากพื้นที่ข้างเคียงซึ่งก็ ง่ายอาการดับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่เราเข้าถึงได้ง่ายมีถนนมีทางมีแนวกันไฟนะคอยคอยระงับคอยยับยั้งเอาไว้แต่ถ้าเที่ยวกันแล้วนี่ไอ้ที่หนักกว่านี้ก็เคยมีมาแล้วนะ ปีศีหนึ่งก็ดีเนี่ยปีศหนึ่งเนี่ยมันเร่นมาจากทุกที่ทุกทางเลยรวมทั้งด้านที่ตอนออกก็คือตรงบริเวณที่เป็นกุศลหลวงพ่อสเทียนหรือว่ากุศโยมวันหรือกุศของผมก็ตามเนี่ยศีลหนึ่งนั่นก็มันมีหลายยาคา ไฟก็ลุกท่วมก็เป็นงานส่อาแซนะด้านที่ตอนออกเนี่ยมีไฟทุกปีจนกระทั่งมาถึงรวมทั้งบริเวที่เป็นาสารพักญาตินะหรือว่าที่ตั้งสำนัก ง, งานนะ ตรงนั้นเนี่กไฟก็มาซ้ําซากซ้ำซาทุกปีทุกปีปีซื่อหนึ่งก็เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกดับยากมากดับแล้วก็เดี๋ยวมันก็มะทุกขออ์กันอีกพอไฟสมขอนแล้วบางทีก็ดับไม่ได้เลยเพราะไฟมันมันไม่ใช่ไม่เลี้ยบทุ่นนะมันมันไหมตรงยอดไม้แล้วก็ข้าม จากยอดหนึ่งไปสู่ยอดหนึ่งเราก็ได้แต่ดูตาปิดปิดทำอะไรไม่ได้ทําไม่เลอยพื้นนะ่ะก็ยังดับได้แต่ถ้าไม่จากยอดสู่ยอดนี่ก็ยังทําอะไรล้วก็ได้แต่ดูเฝ้าดูร้อไม่ให้มันลาไปในที่ที่เป็นจุดสําคัญสําคัญปีสี่เจ็ดก็เหมือนกันแนละ้วก็ ละม่ยเข้ามาทั้งภายนอกทั้งข้างในนั่นก็เรียกว่าถึงแม้ว่าปีนี้มันจะร้ายแรงนะแต่ว่าไอ้ที่เราเคยเจอที่หนักกว่านี้มาแล้วมันก็มีอยู่ที่จริงมันก็เป็นเรื่องที่ ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกินความคาดหวังนะในไฟไหม้เนี่ยเพราะว่าแม้เราจะสามารถจะป้องกันไฟได้เป็นส่วนใหญ่หรือไม่มีไฟที่แรงๆเข้ามาในบริเวณวัดแต่ว่า ข้อเสียคือว่ามันทำให้เมื่อมีไฟเข้ามาเนี่ยไอ้หาแห้งหรือไม้แห้งเนี่ยมันก็จะสมมันก็จะสะสมกันเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีการที่ไม่มีสมมติว่าไม่มีไฟไหม้ปีนี้เนี่ยมันก็หมายความว่าถ้าปีหน้าไฟไหม้เนี่ยก็จะแรงกว่าปีนี้ เกิดก่อนดีกว่าเกิดหลังนะเพราะว่าถ้าเกิดหลังนี่มันจะแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วการที่เราเนี่ยสามารถควบคุมไฟไม่ให้มันเข้าไม่ในพื้นที่ป่าในเขตวัดได้โดยเพราะบริเวณที่เป็นไข่แดงเนี่ยเวณนที่มีป่ามีต้นไม้รกต้นไม้หนานแน่นเนี่ย มันก็เท่ากับว่าความเสี่ยงอันตรายก็มีมากขึ้นไม่เหมือนตรงไทยเลยไทยเลยนี่มันก็มีไหมอยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆมันก็เก็บกวาดพวกเชื้อเพลิงให้ลดน้อยถอยลงให้การที่เราการไฟได้ มันหมายถึงความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นในปีต่อไปมันขัดย้งในตัวมันเองนะในการที่เราคุมไฟได้ในปีนี้เนี่ยมันทำให้ความเสี่ยงในปีหน้าเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั <S <S ้นเนี่ยถ้าการที่เราทำทำได้สำเร็จมานับสิบปีไม่ให้มันเข้าวัดเนี่ยมันก็หมายความว่าความ มันก็เพิ่มความเสี่ยงสหรับปีต่อไปแล้วก็ในสูงก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นจริงก็ เ, เกิดขึ้นก็จะแรงแรงมากนี่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นไปทั่วนะทั่วโลกเดีย๋ยวนี้เนี่ยเราจะดิ่งข่าวนในอเมริกาก็ดีในออสเตรเลียก็ดีเนี่ยไฟมันแรงมาก ดับได้ยากใช้เวลาเป็นเดือนเดือนพื้นที่กระจายกว้างนะเป็นหลายแสนเอเคอร์ที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าเขาประสบความสำเร็จในการที่จะระ ง, งับป้องกันไม่ให้มีไฟป่าซึ่งที่จริงมันเป็นธรรมชาตินะธรรมไฟป่าเนี่ยดับลนธรรมชาติเลยมันเกิดขึ้นทุกปีทุกปี สมัยที่ยังไม่มีมนุษย์เข้ามาอยู่เนี่ยทีนี้พอไฟปา่ามันเกิดขึ้นก็ข้อดีคือมันก็ช่วยเก็บกวาดกำจัดพวกเชื้อเก่าๆไปไม่ให้สะสมมากเกิดขึ้นทุกปีก็จริงแต่ก็จะไม่แรงโดยเปรียบเทียบนะแต่ว่าพอพอคนเข้ามาเข้ามาอยู่กันมากๆเนี่ยมีการตั้งอุทยานมีการตั้ง บ้านเรือนชุมชนอยู่โอยรอบเนี่ยมันก็ต้องหาทางป้องกันไม่มีไฟก็าทำให้ทุกปีทุกปีกันไฟไม่ให้มีไฟแต่ที่เชื่อก็สะสมมากขึ้นสะสมมากขึ้นสะสมมากขึ้นวันดีคืนดีพอมันเกิดขึ้นก็เอาไม่อยู่ฝันแรงมากอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลกใสิ่งที่เกิดขึ้นกับภูลก็เป็นธรรมดา ความสําเร็จของความสําเร็จของเราที่ผ่านมามันก็หมายถึงโอกาสที่จะเกิดความล้มเหลวนะมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเกิดไฟรุนแรงแบบนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่ค า, าดการเอาไวนะ้เป็นเรื่องที่ ไม่ได้เกินความคาดหมายจริงๆเวลาปลูกป่าเนี่ยเวลาปลูกปา่าเวลาทำงานเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องเผื่อใจไว้เสมอสาหรับอุปสรรคสำหรับปัญหานันการที่เกิดไฟขึ้นมาเนี่ยมันก็ถ้าเราถ้าเราเผื่อใจไว้แล้วนะหรือเตรียมใจไว้แล้วเนี่ยมันก็ จะไม่ทําให้เกิดความทอ้อแท้ทอ้อถอยแต่บางคนเนี่ยทุ่มเทกับการรักษาป่าแต่ถ้าเกิดว่าไม่ไม่ไม่เผื่อใจนะมันก็จะเกิดความพอมันเกิดขึ้นก็จะเกิดความทอ้อแทนะ้เราต้องยอมรับว่าเมันเป็นธรรมดานะในการทํางานทุกอย่างก็ย่อมต้องเกิดอุปสรรค ต้องเกิดความล้มเหลวนะไม่มีใครที่ประสบความสำเร็จไปตลอดนักฟุตบอลเนี่ยเก่งทีมเก่งที่สุดในโลกก็ตามก็ไม่มีทีมไหนที่ไม่รู้จักคาว่าแพ้บางทีก็แพ้อย่างยับเยินด้วยนะอย่างทีมบราซิลนี่ก็2ปีที่แล้วก็แพ้ ย, ยับเยินมา7จ็ดหน่เล่นบอลนี่มีควาว่ามีมีค ว, มว่าชนะตลอดก็ต้องมีควาว่าแพ้รต้องรู้จักแพ้ง ก็สอนากีนไลน์ต้รู้จักแพ้คือหมายความว่ายอมรัวความไฟแพ้เป็นธรรมดาเก่งแค่ไหนก็ต้องแพ้มือกเล่งเล่นการพนันกระหมือนกันเก่งแค่ไหนก็ต้องไม่ใช่ว่าจะมีแต่ได้ก็ต้องมีเสียปลูกปางเหมือนกันปลูกปางก็ต้องเผื่อใจว่าเนี่ยแม้ว่าเราจะพยายามป้องกันไฟปางไงมันก็ต้องเกิด แล้ไม่ใช่เกิดแบบเล็กๆนะสิ่งที่เป็นไฟป่าครั้งใหญ่เนี่ยมันก็มันก็สามารถจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาก็เคยพูดไปนะกับบางคนเนี่ยเ่ไอเรื่องที่เรียกว่า the big one ันเนี่ยนะมันก็ต้องมีจนได้นะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเป็น The Big One หรือเปล่าอาจจะยังมีที่ใหญ่กว่านี้ตามมา คนที่ในประเทศที่มีปัญหาเรื่องแผ่นดินไหวนะยังในอเมริกาก็ดีแถวกลิฟอ์เนียในญี่ปุ่นก็ดีเนะี่ยตอนนี้เขาก็รอเขาก็รอว่าเนี่ยเมื่อไหร่ the big one จะมาในอเมริกานี่ตรงเข San ตซานฟรานซิสโกตรงมันมีเขตเรียกว่าอะไรมันมีมันมีฟอล l ์มันมี <c oughs> มนม โฟนี่มันก็หมายถึงแนวแนวแนวแนวแนวลอยเรื่องของเปลือกโลกเป็นลอยเรื่องของเปลือกโลกที่ใหญ่มากนะซันนันเดียเนี่ยก็พูดกันมาหลายปีแล้วเนี่ยสักวันเนี่ยมันต้องมันต้องเกิดจะเรียกว่าใหญ่เรียกว่ายิ่งใหญ่มโหลานทีเดียวไอ้ที่เกิดขึ้น ซีซานฟอสซิโกเมื่อสิกปีก่อนนี่ถือว่าเล็กน้อยเขาก็รอว่าเมื่อไหร่จะเกิดเด e b บิ o n วนญี่ปุ่นก็เหมือนกันเนที่เกิดที่เมื่อที่ที่แล้วเนี่ยถือว่าเล็กน้อยนะเขาก็รอเ่เมื่อไหร่มันจะเกิดเด e b บิ o n วนเพราะว่าญี่ปุ่นมันอยู่ในเขตริงอ f ฟไฟเนี่ยเรียกว่าวงวงแหวนแห่งแห่งแห่งไฟ แล้วก็ที่มันจะเกิดขึ้นคือที่โตเกียวนั่นแหล ะ, ะเกิดเกิดร้อยปีที 4, ่แล้วก็ตายไปสี่แสนคนแล้วก็ลอย่านี่มันเกิดจะครบร้อยปีแล้วก็ต้องเกิดขึ้นอีกสิ่งที่ต้องทำคือว่าเตรียมตัวรับมือกับมันป้องกันยังไงไอแผ่ินไหป้องกันไม่ได้เลยนะได้แต่ว่าบรรเทาเมื่อมันเกิดขึ้นแล้ว แต่ง้งไฟป่าไฟป่ามันเป็นฝีมือมนุษย์ทบจะลอยทั้งลอยเลยเดแยวว่าที่เกิดขึ้นกับภูหลงเนี่ยมันก็ลอยทั้งลอยมันป้องกันได้แต่ว่าป้องกันยังไงเนี่ยมันก็คงป้องกันได้ไม่ร้อซนต์ั้นสายไมมัมก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ต้องต้องเผื่อใจไว้เสมอ มว่าเราจะทำสำเร็จยังไรนะมันก็ไม่ได้แปลว่าวันข้างหน้าจะไม่มีปัญหาแม้เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเราก็ก็ไม่ท้อถอยนะ้วก็ปลูกปากันต่อไปนะมีเรื่องมีแรงมีกำลังวังชานะมีเวลามีปัจจัยก็ก็ปลูกกันต่อไปถูกทำลายแค่ไหนก็ไม่ท้อถอย เพียงแต่ว่าอาจจะต้องอปรับเปลี่ยนวิธีหรือเปลี่ยนจุดเน้นมากขึ้นต่อไปก็ต้องให้การปลูกก็อาจจะให้มหนักน้อยลงการป้องกันไฟก็ต้องเพิ่มมากขึ้นก็ได้ันนี้นก็เป็นเรื่องต้องต้องปรับตัว เรื่องการทำงานกับชาวบ้านก็ยังเป็นเรื่องสำคัญอยู่เพราะว่าที่ผ่านมาก็เราก็ได้ชาว บ, บ้านตาลิงทองมามาเป็นกำลังนะคนที่เคยลาสัตว์เคยที่เคยจุดไฟเผาก็น้อยลงนะแต่ว่าคนที่บ้านอื่นก็เราก็ยังไม่สามารถจะ เอาเข้ามาเป็นพวกได้ร0 0ซก็ยังมีพวกที่เห็นแก่ตัวหรือว่าหมดทางไปอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่โยงไปถึงเรื่องของปัญหาปากทองนะของชาวบ้านถ้าชาวบ้านเขา เ, า, เขามีมีช่องทางทำมาหากิน ไอ้ที่จะไปคิดเป็นพรานเนี่ยมันก็โอกาสก็ น, น้อยลงยกเว้นคนบางบางพวกที่ชอบท้าทายชอบความตื่นเต้นจะให้ทำมากินเหมือนปกติก็อาจจะทำแต่ว่าก็อยากจะมันก็มีเสียงรองข้างในที่อยากทำอะไรที่มันตื่นเต้นเช่นการล่าสัตว์ มนก็มีพานบางพรานบางคนที่ไม่ไม่ที่นี่เหมือนที่อื่นนะที่อื่นนี่มันก็พยายามดึงให้ไปธรรมากินอื่นก็ไม่ยอมไปก็อยากจะล่าสัตว์เสียงอันตรายนยิ่งเสียงยิ่งชอบอย่างที่สะพุงเหนือก็มีพรานคนหนึ่งนะเข้าป่ายุสิบสี่นจนวัเจ็ดสิบแล้วเนี่ยก็ยังไม่เลิกสุดท้ายก็ต้องเลิกเพราะถูก ช้างกระทืบตายแต่ว่าก่อนจะตายนี่ก็ก็ฆ่าช้างกันไปเยอะนะสองร้อยตัวกันเจ้าที่ป่ามประมาณเนี่ยในชั่วชีวิตของพลาขคนนี้ข้าวช้างแลวสองร้อยตัวสัตว์อีกน้ำไ่ท่วนนะเสือหมีถูกจับก็ไม่รู้กี่ครั้งพอถูกปล่อยออกมาก็ไป ยิงต่อแล้คนที่มีความรู้ความสามารถมากนะสามารถที่จะประชิดเข้าถึงตัวช้างได้นะยิงช้างด้วยการเตะขาหลังช้างให้ช้างหันกลับมาจะไดยิงกลางแสกหน้าเลยไหมหรือแม้ก็ยิงที่ลําตัวว่ายิงที่ยิงที่ก้นมันไม่ตายยิงที่ลําตัวยิงที่ขัวเลยเนี่ยก็ต้องให้มันหันหน้าเข้ามาหาขนาด ทำขนาดนี้เรียกเป็นคนมีความสา ม, มารถวันก่อนเมื่อวานก็วันซืนก็มีเจ้าที่ปา่าไม้มาดับไฟก็มาเล่ามีพลายคนหนึ่งก็เถวเคยแถวภูเขียวแล้วมั้งแกรักษาปัญหาป่าภูเขีย ว, 3, ว, เ, ขย ว, วเข้าป่าตั้งอายุเก้าขวบนจนถึงห้าสิบสี่สิบปีที่อยู่ป่าสามร้อหสิบห้าวันหนึ่งปี ก็เข้าป่าเนี่ยสัก330อสสิบวันเขาบอกว่าคนคนนี้นี่อยู่บ้านไม่ได้อยู่บ้านแล้วมันร้อนอยังไงไม่รู้ันต้องเข้าป่าใช้เวลาเกือบทั้งปีเนี่ย 90% อร์ซอยู่ในป่าเพื่อล่าสัตว์และฉลาดมากสามารถที่เอาตัวลราในป่าได้ ฉลาดจนกระทั่งแม้กระทั่งเจ้าที่ป่ามา ก, ก็ตามจับไม่ได้เจ้าที่พยายามเดินตามตามหลังไอ้พรานนี่มันก็ฉลาดก็เปลี่ยนมาเดินเปลี่ยนมาเป็นเดินตามหลังพรานแต่เปลี่ยนมาเดินตามหลังเจ้าที่แทนเจ้าที่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอเพราะว่าพรานมันอยู่ข้างหลังมันไม่อยู่ข้างหน้า แต่สุดท้ายก็โดนยิงตายถ้าคนประเภทมีความรู้เยอะมากมีความสามารถเอาตัวรอดมาได้ก็ต้องต้องรู้ต้องฉลาดกับพวกช้างพวกเสือพวกหมีงูแลวคนเราถ้ามันเรียนรู้ชีวิตของป่ามันก็สามารถจะ ฉลาดนะกว่าสัตว์ชนิดใดก็ตายก็ได้อย่างที่เคยเล่าให้ฟังเนี่ยคนที่จับคนที่เก่งเนี่ยเวลาจับจระเข้เนี่ยเขาไม่ต้องทำอะไรมากก็ลงน้ำเนี่ยลงน้ไปสู้กับจระเข้อาศัยแค่ไม้ไม้ไม้สูงๆนะ แค่ลำเดียวปากขวางอยู่กึ่งกลางระว่างเขากับจรเนะเข้เนี่ยจรเนะเข้เนี่ยมันจะมาดิมากัดข้ามก็ต้องชนไม้เขาคอยเลื่อนเลื่อนตัวนี่ให้ไปอยู่ตรงตรงข้ามระหว่างตรงข้ามกับจระเข้ให้มีไม้เป็นตัวขวางกั้นตลอดเวลาจระเข้มันจะไม่มันจะไม่ดำลงไปกัดคนนะแต่มันจะเข้าไปกัดคนเนะี่ย ตรงผิวน้ำซึ่งซึ่งหน้าแต่มันกัดไม่ได้เพราะมันมีมันมีไม้ขวางอยู่แล้วมันก็แก้แก้ปัญหานี้ไม่ได้จระเข้เพราะมันทำนี่ถึงชินแล้วความเคยชินมันทีก็กลายเป็นเป็นอุปสรรคหรือว่าเป็นเป็นลุมดักอัมพรกําดัก กับดักมันพอมันอาปากเข้าก็าหาอะไรยัดใส่เข้าไปในในปากมันหาไม้นิ่มๆยัดเข้าไปในปากมันมันงับเขียวมันก็ฝังอยู่ในไม้ดึงไม่ออกก็เสร็จนะเราเท้มันอาปากไม่ได้เนี่ย มันก็เสร็จแล้วคนก็จับเอาไปจับเป็นๆก็มีจับตายก็มีบางทีอาปากนี่เนะียเอาเอาไม้แหลมๆเนี่ยไม้แหลมสองข้างเนี่ยขนาดเท่าฝ่ามือนี่ยัดเข้าไปในปากเลยแล้วก็รีเอาออกมาไม้มันตั้งอยู่เนี่ยในในปากจละเข้จละเข้เงับมันก็ ก็ทิมนะทิมเพดานปากทิมลิ้นมันนะตายอย่างทรมานอันนี้ก็เป็นความสำ่ึงคนเรานี่พูดมาเนี้ก็เพราะว่าก็ว่ามันก็มีคนมางะเพศนะที่มันจะให้คือไม่ได้มาเป็นพานเพราะไม่มีทางไปมีปัญหาปากท้อง แต่เกิดต้องการความตื่นเต้นอย่างนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่สอบคนทั่วไปแล้วนี่ถ้าเกิดว่าจะแก้ปัญหาไม่ให้มาเป็นพรายนี่ก็ต้องชวนนะมาไปทำอย่างอื่นให้เขามีทางไปจะจับอย่างเดียวก็ไม่ได้ผลจับออกมาพอออกมาก็หาทางแก้แคนอย่างกรณีเนี้ยนี่เขามา มาจุดไฟในป่า น, นี้ก็ไม่รู้เขาต้องการแก้แค้นทางวัดหรือชาวบ้านหรือเปล่าบ้านตากเราก็มีความเข้าใจไปว่าในที่เขาถูกทหารถลักดัจากพื้นที่หรือขับไล่ออกจากผูสามชั้นเนี่ยเป็นฝีมือของเราเป็นฝีมื อ, อทางวัดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเขาก็เลยหาทางกันแกล้งซึ่งอันนี้ก็เป็น เป็นความเข้าใจผิดถ้ามันเกิดขึ้นจริงเหตุการณ์นี้มันก็ทำให้เห็นนะว่าผู้คนสนใจนะปวงใหญ่ในป่าภูหลงมากพอคนเขารู้ว่าที่นีไฟไหม่ที่มันก็ไฟไหม้ทุกปีนะแต่ว่าก็ไม่เคยไม่เคยเอาขึ้นเฟซนะแต่ตอนนี้แต่ปีนี้ การที่ไฟกำลังไหม้อยู่กำลังช่วยกันดับอยู่ก็มีเพื่อนเอนช่วยกันประกาศทางเฟซบุ๊กนั่นก็แพร่กระจายอย่างรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อ ว, ว, วันที่สานี่เช้าเช้าตื่นขึ้นมานี่ก็ทำธุรนิดหน่อยก็เต้นก็มาบอกว่าเนี่ยตอนนี้มันขามแพร่กระจายไปไกลสื่อมวลชนก็ามาขอสัมภาษณ์ออกโทรทัศน์ช่องสามเนชั่น ก็สู้ว่าคนจะความวิตตมมันจะจะแพร่กระจายไปกว้างเลยก็ต้องก็ต้องขึ้น Facebook เพื่อแจ้งข่าวว่าตอนนี้สถานการณ์มันพอจะควบคุมได้แล้วก็เพียงแต่ต้องเฝ้าระวังตามจุดต่างๆาให้สัมภัษ์วิทยุไปก็ ก็มีให้สัมภัษธ์ทางโทรทัศน์ก็มีจริงจริงมันที่จริงพื้นที่ป่าผู้หลงก็ไม่ได้เยอะอะไรนะสามแผ่นกร่ไลมันมีป่ามากมายที่ควรได้รับความใส่ใจมากกว่ า, าเช่นพระอุทยานเนี่ยเษตสถาปัตปา่าเนี่ยพื้นที่เป็นแสนเป็นล้านไร่ดางนี้ก็ควรได้รับความใส่ใจมากกว่า ช่วงที่เราดับไฟกันนี่ก็มีที่ภาคเหนือนะก็มีการมีที่หนึ่งไฟไม่ป่าก็ช่วยดับผู้หญิงคนหนึ่งก็อายุ39ก็ไปดับไฟเป็นชาวบ้านหรือเป็นเจ้าที่ อ, อาสาสมัครก็ไม่รู้ดับไฟช่วงหนึ่งก็พักอยู่ใต้ต้นไม้เพราะกิ่งไม้มันตกลงมาทับเธอตายเลยครอบครัวก็อยากจน กรณีแบบนี้นะที่ก็ควรได้รับความช่วยเหลือเช่นเดียวกันอันนี้สิ่งที่นายกีคือว่าเนี่ยเรื่องไฟป่าเนี่ยมันก็ได้พูดไปนะคือโอกาสพูดกับหลายกับสื่อต่างๆว่าเนี่ยไฟป่าเนี่ยมันมันเห็นง่ายนะ ผู้คนก็ผู้คนตื่นตัวเรื่องไฟป่าที่ปูหลงเนี่ยเพราะมันเห็นง่ายแต่จริงมันมีไฟที่มันที่น่ากลัวกว่า น, นั้นนะก็คือไฟในใจผู้คนเนี่ยไฟใจผู้คนนี่น่ากลัวกว่าเพราะว่ามันมองไม่เห็นแล้วคนไม่ตัณนหนกหลายคนที่พยายามช่วยดับไฟป่าแต่ว่า อาจจะยังปล่อยให้ไฟในใจลุกลามอยู่ก็ได้ไฟในใจนี้มันก็มีทั้งไฟโลภะและไฟโทสะในที่ไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดเพราะไฟโทสะไฟอาจจะเกิดเพราะไฟโลภะและไฟโทสะของคนบางคนแต่ว่าคนที่ไม่ไม่ได้ไปเข้าป่าล่าสัตว์หรือจุดไฟมันก็ก็มีไฟ ในใจซึ่งสามารถจะช่วยทาสามารถจะส่งผลให้ไฟให้ป่าเนี่ยถูกทำลายก็ได้เช่นการการบริโภคพลังงานการใช้พลังงานน้ำใช้ใช้ไฟอย่างไม่บัญญะ บ, บัญญังก็ทำให้มีการสร้างเขื่อนก็เป็นการทำลายป่าอีกแบบหนึ่งเพราะเขื่อนที่สร้างก็เพื่อมาใช้ สนองความต้องการคนในเมืองเป็นหลักยิ่งถทาคนในเมืองบริโภคทรัพยากรใช้พลังงานอย่างซึ้นเปลืองมุ่งให้ธรรมชาติมาปนเปื้อนกิเลสของตัวมัาก็ต้องส่งผลให้เกิดการทำลายธรรมชาติไปในที่สุดก็บอกข้ออย่าไปอย่าไปอย่าไปโทษอย่าไปโทษ ชีนิ้วคนที่จุดไฟเผาป่าล่าสัตว์อย่างเดียวนะให้คนที่ไม่จุดไฟเผาเนี่ที่อยู่ในเมืองเนี่ยก็สามารถที่มีส่วนในการทําลายธรรมชาติทําลายป่าได้เหมือนกันพอะวิธีช่วยของเขานะมันส่งเสริมให้มีการทําลายธรรมชาติเป็นวิธีชีวิตที่เกิดจากความเป็นแก่ตัวเกิดจากความโลภเกิดจากความโกรธก็ได้ ความโกรธมันก็นำไปสู่การทำลายอีกแบบหนึ่งนะเป็นความความโกรธในผู้คนที่ผ้าอุดมการณาการเมืองต่างอุดมการต่างสีก็ทำร้ายกันอันนี้ก็ไฟเหมือนกันแล้วก็พูดให้คนได้ตระหนักว่ามันมีอะไรที่ต้องทำอีกเยอะนะไม่ใช่แค่ไฟป่า ไฟในใจก็ต้องระ ง, งับด้วยเช่นกันเอาละชาร์จพวกเท่านี้กลับพากพ้องกัน